หรือบางท่านที่มีบุคคลที่เรารักก็จะเกิดความทุกข์อย่างมากบางทีพ่อแม่เออมีลูกลูกตายลูกต้องสูญเสียพ่อแม่ไปหรือพี่น้องจะต้องสูญเสียพี่สูญเสียน้องกันไปจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มมรณ า, านุสติอยู่เสมอเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยควบคุมจิตได้ ไม่เกิดความทุกข์ความหวั่นไหวทราบว่าใครตายเราก็วางใจได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วนึกไว้แล้วว่าเขาจะต้องตายวันใดวันหนึ่งฉะนั้นเราจะต้องเจริญไวอยู่เสมอๆนอกจากจะได้ผลตอนที่เราจะต้องเผชิญต่อความตายในบุคคลที่เกี่ยวพันกับเราแล้วความตายยังเป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างหนึ่งทาให้เรานี้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เวลาจะประมาทหรือประกอบกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องนึกถึงความตายไว้หรือเราจะมัวเมาอยู่ในลาบในทรัพ์สมบัติในยศถาบรรดาศักดิ์ในคำสัรเสริญเยินยอหรือในความสุขต่างๆเราก็จะได้ถอนตัวขึ้นได้ไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้มีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มียศก็ใช้ยศให้เป็นประโยชน์มีสรรเสริญก็ใช้สันเสริญให้เป็นประโยชน์ มีความสุขก็ใช้ความสุขให้เป็นประโยชน์จะไม่เกิดความมัวเมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่เจริญแล้วเราจะกลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจหรือจะกลายเป็นบุคคลที่งมงายที่สุดในชีวิตนี้เพราะว่าหลงว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ตายจะเป็นผู้มากก็ด้วยความโลภมากก็ด้วยความโกรธแต่ความหลงความริษยาอาฆาตต่าง เนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าไม่ได้นึกถึงความตายไว้บ้างเป็นอารมณ์ก็เลยทําให้ประกอบกรรมทําชั่วลงไปฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงอยู่เสมอเพื่อจะได้ช่วยเตือนตัวเราได้ว่าเมื่อความตายเป็นอยู่อย่างนี้เราควรจะได้ประกอบกรรมดีกันไว้คิดว่าชั่วชีวิตหนึ่งที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้เรามาประกอบกรรมดีชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคิดแต่ว่าเราเกิดมาบนพื้นโลกนี้จะยากดีมีจนไม่สาคัญสาคัญตรงที่ว่าเราประกอบกรรมดีอะไรไว้บ้างไม่ใช่พะเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็มานั่งวิตกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรเหมือนกับที่คนอื่นเขามีกันอันนี้เรามุ่งไปสู่วัตถุสู่ยศถานบรรดาศักด์ ทำสันเสริญหรือความสะดวกสบายต่างๆเราไม่ได้นึกถึงความจริงของชีวิตกว่าความจริงของชีวิตนั้นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้จะยากดีมีจนอย่างไรไม่สําคัญแต่ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกรรมดีเนี่ยได้เต็มที่เหมือนทุกคนแลก็ทากันได้ทุกคนไม่ใช่ความดีจะทำได้มาตอนมีเงิน เรายากจนอยู่ยังทำความดีอะไรไม่ได้ทำได้ทุกคนคนจนเสียอีกจะทำความดีได้มากกว่าคนมั่งมีถ้าหากว่าเราคิดทำให้เป็นประโยชน์จริงๆความไม่มีอะไรนั่นแหละจะทาให้เราเนี่ยทำประโยชน์ได้มากกว่าไปมีอะไรเข้าถ้าไปมีอะไรเข้าแล้วจะทำความดีได้น้อยฉะนั้นให้นึกถึงความจริงของชีวิตในข้อนี้ไว้ว่า ในเมื่อเรามีโอกาสมายืนอยู่บนพื้นโลกนี้แล้วก็ควรจะได้ประกอบกรรมดีอะไรบ้างในในช่วชีวิตของเราแล้วก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าเรามาชั่วประเดียวประดาวเท่านั้นแหละมาเที่ยวโลกมนุษย์แต่ว่าเรามาอยู่หลายปีหน่อยเท่านั้นเองและเราจึงจะจากโลกมนุษย์นี้ไปอยู่นานกว่านักบินอวกาศที่ไปเที่ยวดวงจันทร์หน่อยเท่านั้น เราถ้าเราไปโลกอื่นเราอยู่นานไม่ได้ไปเพียงสองสาวันก็ต้องกลับอะไรเหล่านี้ถึงไปอยู่นานเข้ามันก็เป็นทุกข์เพราะว่าสถานที่ไม่อำนวยที่จะให้เราอยู่นานๆแต่เรามาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสถานที่อำนวยให้เราอยู่ได้นานเพราะว่าโลกมนุษย์มีอาหารให้เราบริโภคโลกมนุษย์นี้มีที่ให้เราอยู่มียารักษาโรค ให้เราเมื่อเราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมีที่พักพิงอาศัยเหล่านี้เราก็เห็นว่าโลกมนุษย์นี้มีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะอยู่ได้นานๆเราก็ควรที่จะได้ใช้เวลาที่เรามาเที่ยวในโลกมนุษย์ชั่วครู่หนึ่งทําอะไรให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราก็จะได้อะไรหลายๆอย่างจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่าผูกพันอะไรมากนะักเพราะว่าถ้าผูกพันมากแล้ว เราเป็นทุกข์แต่ขอให้เราทำหน้าที่ในโลกนี้ให้สมบูรณ์เท่านั้นเองว่าเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วต้องทำให้สมบูรณ์ถึงแม้ว่าบางอย่างที่เราทำไว้มันจะไม่ใช่เป็นสมบัติที่เราจะไปเสเวยความสุขก็คงควรจะได้คิดถึงสัตว์รุ่นหลังๆที่จะเกิดในโลกมนุษย์นี้ว่าเขาจะได้พึ่งพาอาศัยกันเช่นอย่างสมมติว่าเราจะปลูกมะพร้าวลงในโลกมนุษย์นี่ต้น หรือจะปลูกต้นสักไว้ในแผ่นดินเนี่ยสักต้นหนึ่งท่านทั้งหลายอย่าไปคิดถึงการเวลาว่าแม้ไอ้ต้นสักต้นนี้กว่าเราจะใช้มันคงจะตั้งห้าหกสิบปีเราปลูกไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เลยไม่อยากปลูกผลสุดท้ายป่าก็จะหมดหรือเราจะคิดว่าแม้มะพร้าวนี่ปลูกเวลาเวลานี้เราจะมีชีวิตอยู่ได้รับประทานผลา่าผลมะพร้าวหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบก็อย่าไปคิดอย่างนั้น คิดแต่ว่าเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้ในโลกมนุษย์ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราจะไม่ใช่เป็นผู้เสวยก็ ต, ตามก็ควรจะคิดถึงคนอื่นเขาคนอื่นที่มาเสวยเขาจะนึกถึงอุปการะคุณที่เราทำไว้ก่อนเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์นะ่ะอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามนุษย์ลืมหน้าที่อันนี้เมื่อใดโลกนี้จะขับแค้นขึ้นเหมือนนั้นถ้าเราลืมหน้าที่อันนี้ หน้าที่ของเราก็คือว่าในช่วชีวิตเราเนี่ยเราต้องทำแต่ความดีเอาไว้แม้ความดีบางอย่างในช่วชีวิตเรานี้จะไม่ได้เสเวยหรือจะไม่ได้เห็นผลแห่งความดีเลยเราก็ต้องทำคือให้ถือว่าความดีคือหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำถ้าใครว่าตามเกิดมาแล้วไม่ได้ทำก็แสดงว่าคนคนนั้นเสียชาติเกิดหรือเป็นคนที่ไม่ได้ทาหน้าที่อันนี้โลกมนุษย์ก็จะคับแคนขึ้น และความคับแค้นในปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นจากบุคคลประเภทนี้ประเภทที่ไม่รู้หน้าที่ว่าตัวเองควรจะทําอะไรไว้บ้างในโลกมนุษย์ฉะนั้นในรุ่นหลังๆมาก็จะต้องมาเผชิญต่อความคับแค้นตามลําดับเหมือนพ่อแม่ไม่สร้างมรดกให้ลูกลูกมันก็เดือดร้อนแต่พ่อแม่สร้างมรดกเอาไว้ให้ลูกให้หลานลูกหลานมันก็สบายเดี๋ยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เราได้รับสมบัติ ที่เป็นอริยสมบัติคือพระธรรมคําสอนอันประเสริฐได้แก่พระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีพระพุทธศาสนานับถือในปัจจุบันก็เพราะว่าพุทธศาสนิกชนในอดีตช่วยรักษาไว้ให้ช่วยทั้งูุบํารุงส่งเสริมบางทีบางคนสร้างโบสถไ์ไป่ําเสร็จเลยคนสร้างตายไปแล้วก็มีแต่ว่าสร้างไว้เพื่อใครก็สร้างไว้เพื่อคนรุ่นหลังเพื่อโลกเขาทําหน้าที่ถูกแล้ว แม้ว่าช่วงชีวิตของเขาจะทําไม่เสร็จแต่คนรุ่นหลังก็ได้รับประโยชน์มะระดกอันนี้มันก็ตกทอดมาถึงพวกเราความเจริญอันนี้ก็มาถึงพวกเราเมื่อเราเกิดมาเราก็ได้รับความเจริญได้รับความสุขได้รับแสงสว่างในทางชีวิตว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในโลกมนุษย์เราก็รู้จักปรับตัวเองได้ถูกดําเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ต้องดําเนินชีวิตผิดแล้วก็นําผลคือความทุกข์มาให้ชีวิตเรา เนี่ยเราก็อาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเป็นดวงประทีปก็แสดงว่าบรรพบุรุษในอดีตท่านรักษามาเราก็ได้สมบัติอันนี้เราเองก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นบนรรพบุรุษของอนุชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นสมบัติบางอย่างที่เราสร้างไว้บางทีช่วยชีวิตเราอาจจะไม่ได้เสวยความสุขเช่นนั้นแต่ว่าเราต้องทําไว้เพื่อโลกมนุษย์หรือเพื่อบุคคลอื่นๆที่เขาเกิดมาเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของเรา ถ้าเราไม่ทําแล้วเราจะถูกประนามถูกเยียดยามจากอดีตเหมือนลูกหลานบางคนดูถูกบรรพบุรุษของตัวเองเพาแหมบรรพบุรุษของเราเนี่ยใช้ไม่ได้สมบัติสักนิดมันก็ไม่ได้สร้างสมไม่ให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลูกหลานมันก็ดา่าเราเพราะว่าเราไม่ได้ทําสมบัติอะไรไว้ให้เขาแต่ถ้าทําไว้เขาก็ไม่ดา่าจะนึกถึง อุปการะคุณที่เรามีต่อเขาตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องนึกถึงหน้าที่เอาไว้เป็นที่ตั้งถึงแม้จะนึกถึงความตายก็ต้องให้นึกถึงหน้าที่ประกอบกันจะต้องเอาหน้าที่คอยบังคับอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเราจะตายแล้วทําไมไม่ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เรามีหน้าที่จะทําอะไรบ้างก็ควรจะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เนี่ยการเวลาที่ล่วงเลยไปก็จะเป็นการเวลาที่เป็นประโยชน์ พระพุทธองค์ได้สอนให้เรานึกถึงความตายไว้แปดวิธีวิธีที่หนึ่งท่านให้เรานึกถึงความตายโดยปรากฏดังเพชชักาความตายเนี่ยดุจเพชชักาเพชรชคกาที่คอยตัดคอนักโทษหรือผู้ถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิต ความตายเหมือนกับนายเพชฌฆาดเราทุกคนเนี่ยเหมือนนักโทษเวลานี้เหมือนกับว่าให้นึกถึงว่าเวลานี้เราอยู่ในฐานะเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเกิดมาเราจะถูกตัดสินทันทีว่าต้องตาย พอความเกิดมีเมื่อใดหลังความเกิดจากนั้นมาเราถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วต้องตายนะแต่ว่าเมื่อไรตายเท่านั้นเองอ่ะเหมือนสารตัดสินประหารชีวิตว่าอีกกี่วันถึงจะฆ่าอีกสามสิบวันฆ่าอีกสามปีฆ่าอีกห้าปีฆ่าอะไรเหล่านี้เราถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่เราเกิดแล้วพอวิญญาณอย่างลงสู่คันของมารดาขณะแรกเราก็ถูกตัดสินแล้วว่าเราจะต้องตายแน่ แต่ว่าจะตายเมื่ออายุเท่าไรเท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพชฌฆาตจึงเงื้อดาบจะควันคอตลอดเวลาจะนั่งที่ไหนจะยืนที่ไหนจะนอนที่ไหนความตายมาจ่ออยู่ที่คอแล้วเพชฌฆาตคือความตายเนี่ยคอยจ้องอยู่ว่าจะเด็ดชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเนี่ยให้นึกถึงอย่างนี้อยู่เสมอว่าความตายนั้นเป็นดุลนายเพชฌฆาต ที่จะตามตัดสินตามประหารชีวิตเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉังนั้นจึงขอให้เรานึกถึงหลักธรรมข้อนี้เอาไว้ทุกครั้งที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราต้องนึกถึงเรื่องนี้ว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะถูกนายเพชฌฆาตเือความตายนี้ฟันดาบลงมาที่คอเมื่อไหร่พระพุทธองค์จึง ตรัสเตือนไว้ว่าวันคืนทั้งหลายย่อมล่วงไปล่วงไปชีวิตก็ปลอยดับไปด้วยอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปเปรียบดังแม่น้ําน้อยท่านพิจารณาอเปรียบดังแม่น้ําน้อยก็คืออายุของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมีแต่จะล่วงเลยไปล่วงเลยไปเหมือนน้ําน้อยที่มันไหลไปมันมีแต่จะเหือดแห้งไปในที่สุด ไม่มีเพิ่มขึ้นหรือตราดว่าสัตว์ที่อยู่ในคันเพียงคืนเดียวซึ่งเป็นคืนแรกคืนใดตั้งแต่คืนแรกนั้นไปสัตว์นั้นย่อมบ่ายหน้าไปสู่ความตายท่านบอกว่าดูดเมฆฝนที่ตั้งขึ้นแล้วเขาย่อมไม่หวนกลับเมฆฝนที่ตั้งขึ้นแล้วมันจะต้องตกแน่นอนฉันใด ชีวิตของสัตว์ที่เกิดขึ้นแม้แต่คืนแรกที่เราเข้ามาอยู่ในคันของมารดาก็มีแต่จะกายหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้นอย่างในเวลาเนี้ยเราทุกคนก็เดินไปข้างหน้าเพื่อไปสู่ความตายแต่ว่าจะตายเมื่อไรเท่านั้นเองแต่เราก็กำลังเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอ น, นั้นหรือท่านตรัดว่าเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้ว กลัวแต่การจะหล่นในเวลาเช้าชั้นใดสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็กลัวแต่ความตายเป็นนิจชั้นนั้นผลไม้ที่สุขงอมมันก็จะร่วงหล่นลงชั้นใดชีวิตของมนุษย์ก็เกิดมาแล้วก็จะต้องร่วงหล่นไปชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปหรือเหมือนภาชนะดินหอเหมือนภาชนะดินที่ช่างปั้นได้ทำขึ้นไว้แล้วไม่ว่าจะเล็กใหญ่ หรือจะสุกจะดิบทุกอย่างภาชนะที่ทำขึ้นแล้วย่อมมีความแตกเป็นที่สุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องเป็นมีความแตกดับเป็นที่สุดฉันนั้นเหมือนกันช่างที่ปั้นหม้อขึ้นมาหรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภาชนะที่ปั้นนั้นมันจะไปสิ้นสุดตรงที่แตกชั้นใด ชีวิตที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ก็จะถึงที่สุดคือความแตกดับฉันนั่นเหมือนกันเนี่ยเป็นการนึกถึงความตายโดยปรากฏดุจ ด, ดังเพชรชักาดนี่เป็นวิธีนึกถึงวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองให้นึกถึงความตายโดยความวิบัติแห่งสมบัติความตายที่ว่าให้นึกถึงความตายโดยความวิบัติ แห่งสมบัตินั้นท่านสอนให้เราพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสมบัติใดๆในโลกนี้ที่สวยงามเปล่งประังก็ตามสมบัติเหล่านั้นจะต้องถึงซึ่งความวิบัติเป็ น, นที่สุดสมบัติกับวิบัติเป็นของคู่กันฉันใดความเกิดกับความตายก็เป็นของคู่กันฉันนั้นเมื่อมีสมบัติก็ต้องมีวิบัติ เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความตายเนี่ยเป็นสมบัติประจําโลกทันยกตัวอย่างถึงราชามหากษัตริย์แต่อดีตาบางท่านเนี่ยมีแว่นแคว้นมากมีทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาลเช่นอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเจ้าพิมพิสารมหาราชท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ หาได้ช่วยชีวิตของบุคคลไว้ได้ไหมเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้นไม่มีบุคคลใดที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกเช่นนี้ตลอดไปหรือไม่มีสมบัติอันใดที่จะยั่งยืนถาวรตลอดไปมันจะต้องถึงซึ่งความวิบัติไปในที่สุดฉะนั้นท่านจึงตรัสเตือนเป็นคติว่าความไม่มีโรค ท่านตรความไม่มีโรคแม้ทั้งหมดก็มีพยาธิคือความเจ็บไข้เป็นปริโยสารความเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งหมดก็มีความแก่เป็นปริโยสารชีวิตทั้งหมดก็มีความตายเป็นปริโยสารท่านตรัสเตือนเป็นคติเตือนใจละไว้โลกอสังนิวาสนี้ทั้งหมดอัญชาติตามไปแล้ว ชลาแล่นตามไปแล้วพญาที่ครอบนามแล้วย่อมถูกความตายนี้กำจัดทั้งหมดเนี่ยท่านได้ตรัสเตือนเอาไว้แล้วก็เตือนว่าแม่ภูเขาหินซึ่งล้วนแล้วด้วยหินสูงจรดฟ้าสบอกย่อมกลิ้งบทสัตว์โดยรอบสี่ทิศแม่ฉันใด ความแก่และความตายก็ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเป็นกษัตร์ก็ตามพรามก็ตามพลเมืองก็ตามเป็นสูตรก็ตามเป็นคนจันทานก็ตามหรือคนเทขยะก็ตามย่อมไม่ได้เว้นใครๆไว้เพราะฉะนั้นภูเขาลูกนี้ย่อมย่อมยีสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดใหญ่โตแค่ไหนก็ต้องตายทั้งสิ้นคนที่มีทรัพสมบัติมากเพียงใดก็ตามสมบัติก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรานึกถึงความตายเช่นนี้อยู่เสมอบ่อยๆโดยเปรียบเทียบกันกับสมบัติความวิบัติแทงสมบัติและประการที่สามท่านสอนให้เรานึกถึงความตาย ด้วยการเข้าไปเปรียบเทียบคือเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นจะเปรียบเทียบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เช่นถ้าจะเปรียบเทียบกับบุคคลแล้วก็ขอให้เราไปเปรียบเทียบกับคนที่มียศมากที่เก่งกาดมากเช่นอย่างเรายกย่องบุคคลในอดีตว่าเป็นจอมทัพที่ใหญ่ เช่นพวกนโปเลียนอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือจะเป็นใครก็ตามที่เป็นจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่พ้นความตายจะใหญ่แค่ไหนก็ตายทั้งนั้นเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบกับคนเช่นนี้คนที่มียศมากจะมียศถารบัดาศักดิ์สูงแค่ไหนก็ตามช่วยอะไรไม่ได้ความตายก็ ต้องกจัดบุคคลประเภทนี้เหมือนกันหรือบุคคลที่มากไปด้วยบุญแม้จะมีบุญมากก็ไม่ใช่ว่าบุญจะช่วยไม่ให้ตายตายเหมือนกันท่านบอกเช่นอย่างโชติยะเฉดเศรษฐีเศรษฐีมีบุญมากเศรษฐีผู้นี้แต่ถึงกระนั้นเศรษฐีผู้นี้ก็ตายถึงมากด้วยบุญก็ตายหรือคนที่มากด้วยกาลัง เป็นคนไหนที่มีร่างกายใหญ่โตมีกําลังมากก็ตายเหมือนกันหรือคนไหนที่มีฤทธิ์มากขนาดพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากขอเหินเดินอากาศได้ก็ยังต้องตายหรือบุคคลที่มีปัญญา ม, มากเช่นอย่างพระสารีบุตรอย่างเนี้ยท่านก็ตายเหมือนกันหรือพระปจเจกพุทธเจ้าก็ยังตายหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตาย ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเลยที่ไม่ตายต้องตายหมดเนี่ยคือการเปรียบเทียบกับบุคคลว่าความตายเนี่ยย่ำยีหมดทั่วถึงทุกคนไม่เว้นให้เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบแล้วก็นึกถึงว่าเรามากด้วยยศเรามากด้วยกําลังมากด้วยบุญหรือมากด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นบุคคลเหล่านั้นมีหรือเปล่า ในเมื่อเราไม่ได้มากไปยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องตายมากยังตายเลยแล้วคนไม่มีอะไรไม่มากอะไรทำไมจะไม่ตายก็ต้องตายเหมือนกันอย่าให้นึกถึงให้อาตัวเราก็ไปเปรียบเทียบอยู่เสมอเราก็จะเห็นได้เด่นชัดขึ้นประการที่สี่ท่านสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของสาธารณะสาธารณะในที่นี้หมายถึง เป็นของสาธารณะของเหล่ากิมมิชชาตทั้งหลายหรือหนอนทุกๆชนิดย่อมจะต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นที่อยู่เนี่ยในตัวเราทุกคนเนี่ยมีหนอนตั้งหลายจําพวกที่ชอนชัยอยู่ข้างในมีเชื้อโรคตั้งหลายชนิดที่ซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้เรานึกถึงว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของหมู่หนอนพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่า นอนที่มีอยู่ในกายมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่แปดสิบจำพวกถ้าจะพูดว่ามีอยู่แปดสิบเผ่าก็ได้ในตัวเราเนี่ยมีอยู่แปดสิบเผ่าเป็นที่สารนะของหมูนอนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของที่นาพี่รมเพราะฉะนั้นคนพอตายลงเราก็จะเห็นว่าซากศพที่ที่ตายนั้นก็จะมีหมูหนอนเนี่ยชอนชายอยู่ทั่วไป จะต้องเน่าเปื่อยไปในที่สุดให้นึกถึงอย่างนี้อยู่เสมอๆว่าเนี่ยมันเป็นของสาธารณของหมู่นอนโดยทั่วไปของเหล่ากิมิชาาิที่อาศัยอยู่ถึงแปดสิบจำพวกนี้ก็จะต้องชอนชายร่างกายเนี่ยอยู่ให้นึกถึงอยู่เสมอๆเพื่อที่จะได้ขจัดความมัวเมาในชีวิตขจัดความมัวเมาในรูปร่างกายของเราเราก็จะได้ไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ประการที่ห้าท่านสอนให้เรานึกถึงความตายโดยอายุเป็นของทุรพลทุรพลคือเนี่ยอายุนี่เป็นของไม่มีกำลังมีกำลังน้อยที่สุดจะต้องแตกดับลงไปวันใดวันหนึ่งที่ว่าอายุมีกำลังน้อยเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเจนว่าอายุของเราเนี่ยน้อยอย่างไรถ้าถามว่าเวลาเนี่ยเราเอาชีวิตแผ่นไว้กับอะไร เราชีวิตแต่ไปแฝงไว้กับอะไรบอกเรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เพราะมีกฎหมายรักษาแวนไว้กับกฎหมายของบ้านเมือง<ม>ใครจะมาฆ่าเราไม่ได้หรอกผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ไม่ใช่กฎหมายเป็นที่แวนของอายุหรือเราฝากอายุไว้กับฝากชีวิตไว้กับกฎหมายเพราะคนที่จะฆ่าเราไม่ไม่ใช่คนที่เคารพกฎหมายคนที่เคารพกฎหมายคือคนที่ไม่ฆ่าคน แต่จะเห็นได้ว่าคนที่ถูกฆ่ามักจะถูกฆ่าจากคนที่ไม่รู้กฎหมายไม่เคารพในกฎหมายมันคือคนที่ฆ่าคนได้นั้นถ้าถามว่าเราแฟนชีวิตไว้กับอะไรแวนไว้ที่ปลายจมูกนี่เองลมหายใจออกหายใจเข้าถ้าหายใจออกไปแล้วมันไม่เข้าก็ตายถ้าหายใจเข้าไม่ออกแน่นตายอีกอยู่ที่ลมนี่เองลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฝากไว้แค่นี้ ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของอายุนี้เป็นของทุรพลไม่ใช่เป็นของที่มั่นคงแข็งแรงอะไรเราแวนไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่แขวนไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไปแวนไว้กับริยาบทริยาบทเนี่ยคือยืนเดินนั่งนอนฝากไว้ที่นี่ฝากไว้กับการยืนการเดินการนั่งการนอน ถ้าเกิดนั่งอย่างเดียวเดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ตายอีกหรือเกิดนอนได้อย่างเดียวนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ตายอีกหรือเดินได้อย่างเดียวไม่มีโอกาสได้นั่งได้นอนบ้างก็ตายอีกฉะนั้นอริยบทสีเนี่ยถ้ายังใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็ตายที่ไม่ตายเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราก็เดินนั่ง เดี๋ยวเราก็ได้ยืนเดี๋ยวเราก็ได้เดินเดี๋ยวเราก็ได้นอนบางคนเดินน้อยไปก็ต้องหาเรื่องให้เดินมากๆนั้นเราจึงต้องมีภาระต้องแบกก๊อฟไปตีก๊อฟกันบ้างอะไรบ้างก็งคือน้านแหละไปเดินกลัวตายคนตีก๊อฟคือคนที่กลัวตายเดินซะบ้างนั่งทํางานนานๆก็ต้องหาเรื่องไปเดินเดินมากๆก็ต้องหาโอกาสนั่งบ้างนอนบ้างอะไรเหล่าเนี่ยยืนบ้างบิชนันตาย อริยาบทสี่ท่านยิ่งสอนว่าให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอฉะนั้นผู้ที่รักษาสุขภาพดีนะคือคนที่รู้จักรักษารอริยาบท <c oughs> ท่านสอนไม่ให้นอนมากไปไม่ให้นั่งมากไปไม่ให้เดินมากไปไม่ให้ยืนมากไปแต่ว่าในสี่ริยาบทเนี่ยควรจะให้สม่ำเสมอกันมีเดินแล้วก็ต้องมีนั่งบ้างมีนอนแล้วก็ต้องมีลุกขึ้นเดินบ้างไม่ใช่แต่จะเอา แต่อริยาบทใดอริยาบทหนึ่งอย่างที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าแม้ถ้าหากว่าฉันมีเงินมีทองแล้วฉันจะไม่ทําอะไรเลยจะนั่งกินนอนกินให้สบายอ่ะท่านท่านหลานลองคิดดูที่คนนั่งกินนอนกินคือคนสบายไหมไม่ใช่คนสบายเลยอ่ะคนนั่งกินนอนกินอ่ะอย่างคนไข่อยู่บนเตียงพยาบาลเนี่ยนอนกินสบายแล้วน่ะบางทีเห็นอะไรอยากจะกินก็กินไม่ได้นอนเจ็บขมแมวขมแมวอย่างนั้นเนี่ยคือคนนั่งกินนอนกินแล้วบอกว่า เราร่ำรวยแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยจะนั่งกินนอนกินทำไมไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ทราบ ท, า ท, าทั้งๆที่การนั่งนนกินนอนกินนไม่ใช่ความสบายความสบายของคนนะคือต้องมีโอกาสได้เดินบ้างได้ยืนบ้างได้นั่งบ้างได้นอนบ้างก็คือคนที่ทำอะไรที่ไม่อยู่เฉยนะ่ะคือคนที่มีความสบายไม่ใช่ความสบายคือการไม่ทำอะไรต้องทำนั้นเราจึงต้องหาเรืออ่องทาตลอดเวลา ว่าการทำอะไระได้นะคือความสบายอย่างหนึ่งให้เราได้เดินบ้างให้เราได้นั่งบ้างได้นอนบ้างนั่นนะคือความสบายของชีวิตเราฝากไว้กับอริยบทงั้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามันตึงเกินไปก็ทำให้ชีวิตนี้ต้องแตกดับเหมือนกันหรือชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยกับความเย็นและความร้อนความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญ ของชีวิตเหมือนกันถ้าร้อนมากตายเย็นมากก็ตายท่าทนหลายคงจะได้ยินบ่อยๆว่าในประเทศอินเดียถึงคราวร้อนจริงๆคนตายอยู่ไม่ได้หรือบางปีอากาศหนาวจัดผู้ที่อยู่ในในสถานที่ที่มีอากาศเย็นจัดหนาวจัดก็ตายอายุของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นของแข็งแรงเลยหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตาย ท่านจึงบอกว่าเนื่องอยู่ด้วยความเย็นและความร้อนหรืออายุนี้เนื่องอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแม่ธาตุในตัวเราเนี่ยมีธาตุทั้งสี่หลอเลี้ยงอยู่ถ้าหากว่าธาตุดินมากไปตายธาตุน้ํามากไปก็ตายธาตุไฟมากไปก็ตายธาตุดมมากไปก็ตายแลง้นถ้าธาตุสีเนี่ยสม่าเสมอกัรนั่นคือผู้ที่มี สุขภาพพรานามัยสมบูรณ์ดีท่าสี่ก็เป็นไปอย่างปกติไม่เกิดทุกเกิดโทษอย่างใดอย่างหนึง่งนี่เป็นชีวิตที่ฝากไว้กับกับเรื่องของท่าสี่และต้างบอกว่าชีวิตของสัตว์เนื่องอยู่ด้วยอาหารในประการสุดท้ายก็คือฝากไว้กับอาหารอาหารที่เราบริโภคทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเป็นที่อาศัยของชีวิต เพราะว่าถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคเราก็ตายเนี่ยทุกวันเราจรึงต้องรับประทานอาหารเราจะเห็นได้ว่าแม้เราเนี่ยต้องมีภาระเลอกเกินว่าต้องหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเรื่อยไม่รู้ใส่ไปทำไมทั้งๆ ท, ง ท, งที่ใส่ไปแล้วมันก็เป็นภาระรับประทานอาหารปากก็เปื่อนเป็นเรื่องยุ่งยากเลอกเกินแต่เราก็ต้องรับประทานมีรับประทานมีการถ่ายเทเป็นไปโดยปกติอายุไปยืน ถ้าหากว่าอาหารไม่เป็นไปโดยปกติตายอีกหนึ่งกันเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยจึงฝากไว้กับอาหารไม่ใช่เป็นของที่ถาวรอะไรให้นึกถึงอย่างนี้อยู่เสมอประการต่อไปคือประการที่หกให้นึกถึงความตายนั้นโดยไม่มีเครื่องหมายคําว่าเครื่องหมายในที่นี้คือความตายเป็นของไม่มีนิมิตกําหนดกันไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้ว่าเราจะอยู่เมื่อนั้นเมื่อนี้ แล้วเราจึงจะตายเรากําหนดไม่ได้ดอกกําหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อใดเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือเราจะตายเวลาไหนที่ที่เราจะทอดกายตายเนี่ยจะทอดกายตายที่ไหนหรือคติที่เราจะไปเกิดเราจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าของเหล่านี้กําหนดไม่ได้